นนะชนผู้เลื่อมใสต่อพระพุทธเจ้าผู้มีจักสุมีจํานวนมากเนี่ยนะทนตพรามกล่าวเพื่อให้เข้าใจกันว่าไม่ใช่พวกท่านพวกเดียวนะที่เลื่อมใสต่อพระพุทธเจ้าแม้มหาชนก็เลื่อมใสชนเหล่านั้นผู้ชื่อว่าไม่ควรจะได้ส่วนแบ่งพระสรีระไม่มีแม้แต่คนเดียวถ้าว่ากันจริงๆเนี่ยใครก็ตามที่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าคนเหล่านั้นก็มีส่วนที่จะได้อาศัยอะไร อาศัยบูชาพระสรีระธาตของพระพุทธเจ้าอย่าปฏิเสธวันนี้ของคนนั้นนี่ของคนนี้ถึงขนาดว่าจะต้องเข็นต้องฆ่าแย่งชิงกันเอาไม่สมควรเนี่ยนะพระพุทธาตุของพระองค์เนี่ยได้มาโดยบารมีไม่ใช่ได้มาเพราะปานาติบาตเนี่ยนะพระพุทธคุณไม่ได้มาเพราะการทําปานาติบาตแต่ได้มาเพราะรักษาเจตนาเว้นจากปานาติบาตเพราะฉะนั้นถ้าเราจะบูชาพระองค์ก็ดูบูชาด้วยอันดับแรกก็เว้นจาก ปานาติบาทก่อนเป็นอันดับต้นที่เหลือก็มาแบ่งกันนะเว้นจากอากุสรธรรมทั้งหลายเพื่อเป็นพุทธบูชากันเนี่ยนะนี่ต่อไปเจ้าคณะเหล่านี้เนี่ยนะก็กล่าวกันว่าคือคือพอพรามเนี่ยเสนอเรียกว่าเสนอยติอย่างนี้ขึ้นสู่ที่ประชุมใหญ่เนี่ยนะพวกเอ่อพวกเจ้าคณะทั้งหลายทั้ง8ปแปด แกองทัพใหญ่เนี่ยนะก็กล่าวว่าข้าแต่ท่านพราหมณ์ถ้าเช่นนั้นขอท่านนั้นแหละจงแบ่งพระสรีระธาตุของพระผู้มีพระภาคเจ้าออกเป็น8ส่วนเท่าเท่ากันให้เรียบร้อยเถิดโทนคพราหมณ์รับคําของหมู่ของหมู่คณะเหล่านั้นแล้วแบ่งพระสรีระธาตุของพระผู้มีพระภาคเจ้าออกเป็น8ส่วนเท่ากันเรียบร้อยแล้วก็กล่าวกับหมู่คณะเจ้าเหล่านั้นว่า ดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายขอพวกท่านจงให้ทนานนี้แก่ข้าพเจ้าเถิดข้าพเจ้าจะ ก, กระทําพระสถูปและการฉลองทนานจะเอาทนานที่ตวงตวงพระธาตุนี่แหละไปเป็นเครื่องบูชาของตัวเนี่ยนะทูตเหล่านั้นก็ได้ให้ให้ทนานเหล่านั้นแก่แก่ใครแก่โทนตะพรามสมัยนั้นพวกเจ้าโมริยะอยู่เมืองปิดผลิวันได้สดับข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพานอยู่ที่เมืองกุสินารา เจ้าเหล่านั้นก็เลยส่งทูตไปหาพวกเจ้ามละที่เมืองกุสินาราว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เป็นกษัตริย์เม้เราก็เป็นกษัตริย์ควรจะได้ส่วนแบ่งของพระศรีระธาตุของพระผู้มีพระภาคเจ้าบ้างเราก็จะได้ทําการสร้างสถูปและก็ฉลองพระศรีระธาตุของพระผู้มีพระภาคเจ้าพวกเจ้ามัละเมืองกุสินาราก็กล่าวว่าส่วนพระศรีระธาตุพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่มีแล้วแบ่งกันไปหมดแล้วเนี่ยนะ ไอ้ไม่มีนี่แปลว่าแบ่งกันหมดแล้วที่จริงอ่ะน่าจะแบ่งของส่วนของตัวให้เขาบ้างก็ไม่เอาอบอกหมดแล้วแบ่งกันหมดแล้วอะไรนะไอ้ตัวเองไม่คิดจะแบ่งนะเพรได้มาแล้วะนะได้รับการแบ่งมาแล้วแต่ไม่ปันกันต่อเลยนะ mm hmm. แต่ก็แหมทุกคนก็ยังว่านะพยายามที่จะรักษาผลประโยชน์ของตัวเองเต็มที่แหละ mm hmm. แต่ว่าพวกท่านเนี่ยจงเอาพระอังคารแต่ที่นี้ไปเถอดเอาขี้เท่าไปแล้วกันนะแปลว่าขี้เท่าที่เผาพระาธาตุเนี่ยนะ ที่ที่ประชมเพลิงพระสรีระทูดเหล่านั้นก็เอาอังคารจากที่นั้นสรุปว่าครั้งนั้นพระเจ้าแผ่นดินมคตนามว่าอาชาศัตรูเวเทหิบุตรได้กระทาพระสถูปคือสร้างเจดีย์เนี่ยนะในการฉลองพระสรีระธาตุของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เมืองราชครึกกษัตริย์ลชชวีเมืองเวสาลีกระทมสถูปที่เมืองไผาลีกษัตริย์สักยะเมืองกบิลพัก็สร้างเจดีย์ไว้ที่ เมืองกบิลพัทกษัตริย์ทูรีเมืองอลกัปปะก็สร้างที่สร้างเจดีย์ที่เมืองอลกัปปะกษัตริย์โกริยะเมืองรามคามก็สร้างสถูปที่หรือสร้างเจดีย์ที่รามคามเมืองรามคามพรามณ์ผู้ครองเมืองเวทถีปกะก็สร้างเจดีย์ที่เมืองเวทถีปกะเจ้ามละเมืองปาวาเนี่ยก็สร้างเจดีย์ที่เมืองปาวาเจ้ามละกรุงกุสินาราก็สร้างเจดีย์ที่เมืองกุสินาราโทนตะพราหมบก็ได้ทํา สถูปและฉลองธนานสร้างเจดีฉลองธนานเนี่ยนะกษัตริย์โมริยะเมืองปิดพิวันณก็ทําสถูปการฉลองพระอังคารคือพระอังคารคือขี้เท่าในปิดพิวัรสถูปบรรจุพระศรีระาธาตุคือพระาธาตุเนี่ยนะบรมสารีริกธาตุนี่8ดแห่ง9แห่งแห่งที่9นี้เป็นธนานแห่งที่สิเป็นสถูปบรรจุพระอังคารคือขี้เท่าด้วยประการชนีการแจก พระาธาตุและการก่อสถูปเป็นเช่นนี้เป็นแบบอย่างมาแล้วต่อไปในข้อหนึ่งหสบองบอกว่าพระสรีระาธาตุของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีพระจักษุนี่มีทั้งหมด8ปดทนานะเจ็ดทนานีานะ่นนนบูชากันอยู่ในชมพูทวีปส่วนพระสรีระาธาตุอีกหนึ่งทนานของพระพุทธเจ้าผู้เป็น บุตรที่ประเสริฐสูงสุดพวกนาคบูชากันอยู่ที่รามคำอันนี้เป็นเป็นคำถ้าบอกว่าเรียบเรียงเนี่ยเป็นคาถาสุดท้าเนี่ยเรียบเรียงที่เมืองศรีลังกานนต่อไปว่าพระเขี่ยวแก้วองค์หนึ่งพระเขี้ยวแก้วเนี่ยนะที่อวดาชั้นดาวดึงเอาไปบูชาพระเขี่ยวแก้วอีกหนึ่งองค์เนี่ยบูชาอยู่ที่เมืองคันธาระปุระ พระเครื่องแก้วอีกองค์หนึ่งบูชาอยู่ทีแคว้นพระเจ้ากาลิงคะอีกองค์หนึ่งพวกพญานาคบูชากันด้วยเดชแห่งพระศรีระธาตุนั้นแหละแผ่นดินประดับแล้วด้วยนักรตผู้ประเสริฐสุดพระศรีระธาตุของพระพุทธเจ้าผู้มีพระจักสุนี้ชื่อว่าอันเขาสักการะสักการะดีแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์ใดอันจอมเทพพญานาคและจอมนระ มาจอมเทพก็คือพระพราชาของเทวดาพญานาคผู้ใหญ่แล้วก็จอมนระคือกษัตริย์ในหมู่นรชนท่านพระพุทธเจ้าพระองค์นี้เนี่ยผู้เขาเหล่านั้นบูชาอันจอมมนุษย์ผู้ประเสริฐสูงสุดบูชาแล้วเหมือนกันขอท่านทั้งหลายจงประนมมือถวายบังคมพระสรีระธาตนุนั้นของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายหาได้ยากในโลก โดยร้อยแห่งกับเนี่ยนะผมเมื่อไรเนาะกี่กับกี่กับกี่การจะได้มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นหนึ่งองค์พระธันตะฟันทั้งสี่สิบซี่บริบูรณ์พระเกษาพระโลมาทั้งหมดเทวดาก็เอาไปทีละองค์ก็นําสืบต่อกันไปในจักรวาลเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะไหว้พระาธาตุนะไปไหนก็ไม่ได้ค่ะรถก็ไม่มีค่ะใช้จ่ายก็ไม่บอยกมือไหว้ไปได้ทุกทิศเลยอันนะั้นจะเอาทิศไหนแล้วพระจักรวาลเนี่ยนะทิศ เขาบอกว่าท so, ิศท so so, ิศเดียวเนี่ยนะทิศตะวันออกหรือตะวันตกเนี่ยจักรวาลเนี่ยนับไม่ได้ทิศเดียวนะที่อยู่ต่อหน้าเราเนี่ยมองไปข้างหน้าเนี่ยถ้าอยู่นิ่งๆแล้วจักรวาลที่มองไปข้างหน้าเนี่ยทิศเดียวนี้ก็นับไม่หมดเขาบอกว่าเอาทรายมากองใหญ่ภูเขาถ้าภูเขาซินเนรุเนี่ยนะมากองโตเลยแล้วทํามองไปหนึ่งจักรวาลบอกหยอดเมล็ดทรายไปหนึ่งเม็ดนี้หนึ่งจักรวาลแล้วหยอดไปอย่างเงี้ยทิศเดียวเนี่ยนะ ทายเนี่ยหมดก่อนจั ก, กรวาลยังไม่หมดเนี่ยนะมันจั ก, กรวาล น, นี้เรียกว่าอนันต์แต่จั ก, กรวาลไม่มีที่จบไม่มีที่สิน้นเพราะฉะนั้นใครที่คิดเรื่องนี้มากก็ก็เรียกว่าเสียเวลาชีวิตะนะเพราะมันไม่เป็นคิดในสิ่งที่ไม่มีจบมีสิน้นเพราะนั้นเทวดาทั้งหลายที่มาจากโดยเฉพาะมาในเนี่ยหมื่นจั ก, กรวาล น, นี่ก็มาเอาพระาธาตุไปล้ไปช่วยกันบูชาไปเคารพสักการะนับถือแล้วก็ บูชากันเน่ยนะแต่มนุษย์จักราวานอื่นเนี่ยไม่ไ ม, ไม่ทราบอ น, นะแต่เทวดาที่มาจากกวาลอื่นก็มานําไปบูชานั่นจะเป็นบุญเป็นวาสนาให้เขาเหล่านั้นบรรลุมรรคผลต่อไปในอนาคตฉนั้นบุคคลที่บูชาพระาธาตุเหล่านี้แหละที่เคยทํามาแล้วในพระพุทธเจ้าในอดีตพอมาพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้เขาจึงได้บรรลุมรรคผลเพราะฉะนั้น <c oughs> ผู้ที่บูชา พระศรีระธาตุบูชาพระธรรมของพระพุทธเจ้าในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าองค์นี้เนี่ยแหละไม่งั้นพระศรีอารจะโปรตคนจํานวนมากได้อย่างไงพระพระศรีอานี่จะเอาเอาผู้มีบุญมาจากไหนใช่ไหเอามาจากไหนก็เอามาจากเนี่ยแหละจากศาสนาของพระพุทธเจ้าพวกมาไม่ทันเรือพระพุทธสมณะโคดมนี่แหละตีตัวไว้ช้เฉยเนี่ยนะก็ยังไม่ได้ขึ้นมาเต็มลำกันไปหมดแล้วนะก็นู่น่นนั่หลังๆก็รอไปฮะ ปัญหาว่าระหว่างรอเนี่ยอย่าไปก่อหนี่เข้าแล้วล่ะเนี่ยนะเรือมาแล้ยอดไปเลยเนี่ยนะจะไปเล่นการพนันสหมดตัวเข้าล่ะเนี่ยนะค <m> ือมันมันมันเป็นอย่างงี้นะว่าเออเนี่ยคือผู้คนเนี่ยนะโอ้ได้ทาบุญทํากุศลเอาไว้กันเยอะแยะทีนี้บุญมันมีผลใช่ไหมบุญมันให้ผลกลายเป็นผู้มีอํานาจกลายเป็นนักฆ่าไปเลยอย่างเัี้ยนะนะก่อสงครามอย่างเดียวเนี่ยหรือบุญมันให้ผลเนี่ยกลายเป็นนักโกงอย่างเดียวเนี่ยนะ บุญมันให้ผลกา้ผิดกาเมไว้ทั่วบ้านทั่วเมืองไปหมดหรือว่าคีดเหล้าเมายาไปดื่มไว้ทุกคนทุกแห่งไปหมดท่ายังี้ก็แม่อันนี้สร้างนี่มากไปมั้งเนี่ยนะนี่เสียมันเยอะไปเนี่ยนะถึงมาเขาไม่ให้ไปง่ายๆหรอก น, นะถึงเรือพระพุทธเจ้าองค์ไปมาไอเจ้านี้นี่แม้มีเครื่องกัน้นคือกรรมเครื่องกัน้นคือกิเลสเครื่องกัน้นโอยเยอะแยะเหลือกเกินเนี่ยอย่าเพิ่งตายเลยเนี่ยนะเพราะไม่มีวาสนาบางอันเนี่ยไม่มีที่นั่งบางั้นกลับแต่ถ้ามีบุญก็ไม่น่าหนักใจอะไรหรอกเนี่ยนะ รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการแบ่งพระธาตุเนี่ยนะในหน้า462ย่อหน้าสุดท้ายล่างสุดเล่ากันมาว่าพอเจ้าเหล่านั้นยินยอมแล้วโทนพราหมณ์ก็สั่งให้เปิดรางทองเจ้าทั้งหลายก็มายืนอยู่ที่รางทองนั่นแหละ น, ะนะมายืนห้อมล้อมกันเลยเนี่ยนะ ต่างก็มองเห็นพระบ ร, รมธาตุซึ่งมีสีเหมือนกับทองคำเนยพระธาตุของพระพุทธเจ้าดูเหมือนสีทองคําเส๋งดายนะได้ดไูได้เห็นภาพไม่มีใครเก็บภาพตอนนั้นเอาไว้บ้างเลยนะก็จากครูวิญญาณทํามาไม่ดีอะ่ะเจ้าเหล่านั้นทุกคนก็รำพึงว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นสัพพันธ์อยู่ผู้รอบรู้ทั้งอดีตอนาคต ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันโดยไม่มีส่วนเหลือแต่ก่อนข้าพระองค์ทั้งหลายได้เห็นพระสรีระของพระองค์มีวรณะสีเหมือนกับทองคำสีก็ ง, งามประดับด้วยมหาปริศลักษณะ3 2ประการขจิตด้วยพระพุทธรสมีมีสีหประการงามรุ่งเรืองด้วยอนุพยัญชนะ80ประการ ในครีว่าเขาทบทวนเล็กน้อยเนี่ยนะทบทวนว่าพระพุทธเจ้าสมบูรณ์ด้วยสัพพัญยูพระพุทธเจ้าผู้สัพพัญยูอันนี้ถ้ากล่าวตามม ห, มหาสีหนาสูตสัพพัญยูก็หมายถึงว่าพระองค์นั้นเป็นพระอาหารหันต์ไกลาจาก กิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะผู้ไปแล้วด้วยดีผู้รู้แจ้งโลกผู้ฝึกสารติที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้จำแนกแจกแจงพระธรรมมรตนะนั้นพระองค์นี่คือพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์อย่างที่เราเจริญอิติปิโสเป็นต้นนั่นแหละเสร็จแล้วพระคุณทั้งหลายเหล่านั้นก็ดำรงอยู่ที่ไหน อยู่ที่พระสรีระคุณแต่บัดนี้ น, นะพระสรีระผิวหนังเป็นต้นก็ไม่เหลือแล้วใช่ไตะโจเนี่ยผิวหนังของพระองค์ก็ถูกไฟไหม้ไปแล้วบัดนี้เหลือแต่พระบรมธาตุคือสรีรสารีริกธาตุหรือพระธาตุแปลภาษาไทยอีกรอบว่ากระดูกเนี่ยนะซึ่งมีสีเหมือนกับทองคําค่าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเหตุแบบนี้ไม่สมควรแก่พระองค์เลยแหมไม่เหมาะเลยไม่เหมาะเลยเนี่ยนะ คิดไปคิดมาบอกไอ้คนที่พูดอย่างนี้เดียวก็เป็นพระาธาตุเหมืนั้นนะเดี๋ยวาธาตุก็กระจายเหมือนกันเลยเป็นหนักใจมากเลยเนี่ยนะใช่ไหมพวกเราเดี๋ยวพูดเรื่องาธาตุเดียวในที่สุดของเราก็จะเป็นอีกร้อยปีนี้าธาตุของเราจะเหลือไหนกันเนะี่ยเขาไม่เรียกาธาตุเขาเรียกอัฐิอัดอัดอัดมาจากคําว่าอัฐิเนี่ยนะคิดว่าเก็บอัดแต่ถ้ า, าธาตุก็าธาตุสีนั่นแหละดินน้ํำลมไฟแต่ว่า พ, พระาธาตุของพระพุทธเจ้าทําไมคนจึงเคารพนับถือมากแล้วของเราอ่ะ บอกาธาตุเหล่าใดเป็นที่กําหนดรู้ทำกิจในอริยาาสัจสี่เสร็จแล้วาธาตุเหล่านั้นเป็นที่เคารพสักการะของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแต่าธาตุเหล่าใดที่ไม่ได้ผ่านการเจริญกิจในอริยาาสัจสี่เลยาธาตุเหล่านั้นไม่น่าสนใจเขาจะมาบดเป็นเป็นแคลเซียมเนี่ยนะก็กินต่อไปก็แล้วกันเนี่ยนะเอาไม่เคยทานแคลเซียมนะมาจากอะไรอ่ะเป็นไหนมาจากกระดูกทั้งนั้นแหละประกรอบนะี่ เขพูดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยอร่อยเลยนะต่อไปว่าสมัยนั้นโทนตาพราหมรู้ว่าเจ้าเหล่านั้นเผลอแกก็เลยหยิบเอาเขี้ยวแก้วเบื้องขวาเนี่ยนะมาไว้ที่ผ้าโพกแขกก็มีผ้าโพกอยู่แล้วนี่ยซ่อนไว้ผ้าโพกแต่ไม่ได้อธินนาทานนะเพราะเขาเป็นพระนนาคาเมีก็ถือว่าไม่เป็นความผิดอะไรเพราะธาตุไม่ใช่ของใครมั้นเขาก็มีส่วนนะแต่ว่าไอการที่จะเอาแบบทั่วไปก็คนอื่นเขาก็ไม่ยอมมันนะนะเพราะใครก็อยากได้แกก็เลยหยิบมาใสา่ ทีนี้ต่อมาภายหลังพอแบ่งก็แบ่งพระธาตุเป็น8ส่วนพระธาตุทั้งหมดรวมได้16บนาน16ทนานก็เอาไปคนละกี่ธนานคนละสองธนานใช่ไหมตามทนานปกติเพราะฉะนั้นกษัตริย์แต่ละองค์ได้ไปองค์ละสองธนารเนี่ยสองทนานเยอะเลยเมื่อโทนลกระพามกาลังแบ่งพระธาตุอยู่นั่นแลเท้าสักกะจอมเทพก็สํารวจอยู่ว่าใครเนาเอาพระเขี้ยวแก้วเบื้องขวาของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นปัจจัยแห่งการตรัส อริยสัจสี่เพื่อประกาศตัดความสงสัยในโลกพร้อมทั้งเทวโลกก็เห็นว่าพราหมณ์เนี่ยหยิบเอาไปนะใช้คำว่าฉกเนี่ยมันเป็นอาทินนาทานเนี่ยนะซึ่งพระนาคามีไม่ทำนะนะ้พระพูดเดี๋ยวก็เสียหายท่านใช้คำว่าพระธาตุพระเขี้ยวแก้วเบื้องขวาที่พระองค์ประกาศสัจสี่เมื่อพระองค์ประกาศสัจสี่นี่แหละจึงทำให้ขจัดความสงสัยมันใครที่จะไปเมืองจีน หรือไปสีลังกาที่เมืองแคนดี้หรือว่าแม้บุญจะให้ผลนีจะไปดาวดึงก็อย่าลืมไปไหว้บ้างนะใครจะไปดาวดึงก่อนเนอย่าไปเที่ยวที่อื่นสัเพลินก่อนไปไหว้ก่อนแต่ก็ลองซ้อมๆไหว้ภูเขาทองที่กรุงเทพดูก่อนนะนะว่าถ้าอยู่กรุงเทพแล้วไปมีเวลาไปไหว้ภูเขาทองได้ไปอยู่ที่เมืองดาวดึงอาจจะมีสิทธิ์ไปไหว้พระเขี้ยวแก้วได้เนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าแบบไม่งั้นไปถึงโน้นนะทุระเต้มไปหมดเลยนะ น, นั่นก่อนี้เดี๋ยวก็ทุระคนนั้นทุระคนนี้มันทําไมมันวุ่นวายอะไรขนาดนั้นก็ไม่รู้นะ แล้วก็คิดว่าตอนที่เราอยู่นี่แหมจะไปไหว้พระธาตุเลยนะไปถึงดาวดึงก็ไปไหว้พระธาตุอย่างนั้นอย่างนี้อาจจะไม่ได้ทำรอกเนี่ยนะลองซ้อมๆดูก่อนอย่างที่เล่าวันก่อนบอกใครที่คิดจะคิดจะไปต้นโพที่อินเดียลองไปไหว้ต้นโพดูก่อนองไหนที่ใดที่นี่หนึ่งเนี่ยนะไปคิดว่าจะไปคิดว่าอะไรออกไปถึงโน่นนะะไปก็คืมทำไปได้ยินเสียงได้ที่เบตสวดไหมบมบามมบมบูมบาถ้าไปตอนนี้เราไม่ต้องห่วงแล้วนั่งสวดกันทีละสองหมื่นอย่างเงี้ย น, นะเสียงคร่ไม <laughs> ่หมดเลยนี่ยนะ ที่ภาษาที่เกิดมาก็แปลไม่ออกแม้แต่คำเดียว